สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลังสยองและวันนี้ก็อีกเช่นเคยผมมีเรื่องเล่าน่ากลัวและตื่นเต้นมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับและเรื่องเล่าที่ผมจะนํามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังในครั้งนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนซึ่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกชีวิตความเป็นอยู่ของคนแถวนั้นยังไม่มีวัตถุมากเท่าไหร่ บ้านก็ยังเป็นบ้านสวนที่ใครๆต่างก็ปลูกนั่นปลูกนี่เอาไว้เพื่อแจกจ่ายแล้วก็เอาไว้แลกกันกินไม่ได้เน้นขายเป็นหลักและผู้คนแถวนั้นก็ยังมีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักเพื่อใช้หาเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบบ้านๆสบายๆแบบที่เคยเป็นมาจากรุ่นสู่รุ่นผมออกจากตัวเมืองประมาณเที่ยงเพราะจะไปแวะกินไก่ถังกันเพราะไม่ได้กินมานานแล้วกว่าจะไปถึงบ้านเพื่อน ก็ช่วงบ่ายๆแล้วครับผมเดินทางไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเอารถกระบะของมันไปพอไปถึงบ้านทางเข้าก็ค่อนข้างจะเปรี่ยวหน่อยแต่ละบ้านมีระยะห่างกันพอสมควรเพราะต่างคนก็ต่างทำสวนแต่ที่เห็นแล้วอุ่นใจก็คือไม่มีบ้านหลังไหนที่มีรั้วเลยครับส่วนตัวคิดว่ามันแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะคิดว่าจะไม่มีการทาร้ายหรือขโมยของกันแน่นอน บ้านเพื่อนของผมนั้นเป็นบ้านในลักษณะของคนสมัยก่อนเลยครับข้างล่างเป็นใต้ถุนสูงโลง่งมีแคร่มีเปลแล้วก็ตากอะไรไว้เต็มไปหมดอย่างเช่นผวกเนื้อแดดเดียวปลาเกลือกระเทียมบรรยากาศเป็นอะไรที่บ้านๆมากๆเลยครับมีบันไดสูง ข, ขึ้นไปข้างบนตัวบ้านแต่ว่าบ้านของมันเป็นคนมีตังบ้านก็เลยเป็นไม้อย่างดีคล้ายๆกับเรือนไทยเลยขึ้นไปบนบ้าน ประตูไม้เป็นแบบผลักออกไป2บานผ่านประตูเข้าไปก็จะเป็นชาล์โล่งๆมีโต๊ะกินข้าวที่นั่งกับพืนมีทีวีแล้วก็มีทางเดิอนออกไปตามห้องต่างๆมันก็ใหญ่พอสมควรเลยครับลักษณะไม้ก็จะลื่นๆแล้วก็มันๆเลยหลังจากมาถึงก็เอาของไปเก็บแล้วก็ออกไปทักทายญาติของเขาพอเพื่อนเจ้าของบ้านก็เสนอว่าไปที่ท่าน้ำท้ายสวนไหมวิวมันดี ช่วงนั้นใกล้หน้าหนาวแล้วอากาศดีมากเลยครับก็ถือเป็นการพักผ่อนที่ดีจริงๆแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือจังหวัดเดียวกับที่ผมเคยอยู่อาศัยมาก่อนเพราะมันช่างต่างกับชีวิตในเมืองเหลือเกินที่มีแต่ความวุ่นวายกับป่าปูนแล้วก็ดาวนิออนท้ายสวนของมันก็ไกลพอสมควรเลยครับพ่อแม่เพื่อนผมก็ขนของสดพวกปลาหมูไก่ใส่มาให้ด้วย เพราะกะว่าจะให้ไปทำอาหารกินกันที่ริมน้ำเลยไหนๆก็มาถึงแล้วผมได้นั่งรถอิแตแอนไปครับบรรยากาศได้มากๆเลยพอไปถึงที่ตรงนั้นผมก็ยิ้มแบบไม่หุบเลยเพราะเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันหามานานแล้วเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านที่ริมท่ามีศาลาใหญ่ที่มันสร้างเป็นบ้านไว้แล้วก็มีบันไดลงไปจนถึงน้าเลยสามารถเอาเท้าไปแว่งเล่นได้อย่างสบายๆ แล้วก็มีเรือให้พายอย่างกับย้อนไปอยู่ในยุค ข, ของขวัญกระเรียมอะไรประมาณนั้นน้ำก็ใสแล้วก็สวยครับถึงมันจะไม่ได้ใสปิ้งแต่ก็สะอาดมากตามแบบธรรมชาติผมโดนให้เป็นคนทำกับข้าวเพราะเป็นคนเดียวที่ทำเป็นก็มันทำทุกอย่างแหละครับทั้งปลาเผาไก่ย่างหมูย่างลาบยำข้าวเหนียวหนึ่งกระติบที่พอมันประเคนมาให้ด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มสังสรรค์ก็เล็กน้อย เพราะไม่ได้รวมตัวกันอย่างนี้มานานแล้วพวกผมทำอาหารกินกันคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็กระโดดน้ําเล่นบ้างพายเรือไปเด็ดมะม่วงชาวบ้านมาทำลาบปลาอร่อยเลยเวลาผ่านไปจนค่าๆแต่พวกผมก็ยังไม่ได้มีความคิดที่อยากจะกลับกันเพราะว่าแถวนั้นก็มีไฟฟ้าไม่มืดมากแล้วเพื่อนผมก็บอกว่ากลางคืนที่นี่มีหิ่งห้อยอยู่เต็มเลยก็เลยจะรอดูกัน เป็นเวลาที่มีความสุขมากๆครับลืมความเหนื่อยล้าลืมความวุ่นวายในตัวเมืองไปจนหมดเรื่องแย่ๆที่เคยเจอก็เป็นแค่ความฝันผมคิดว่ามันคงเป็นวันหยุดที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของผมแต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับเพื่อนของผมได้รับโทรศัพท์จากพ่อของมันว่าให้รีบกลับมาบ้านหน่อยมาเตรียมของกันเพราะว่าน้าสาวของมันใกล้จะคลอดแล้ว พวกผมก็ตกใจมากก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันตอนนั้นเลยตอนนั้นในใจผมตื่นเต้นมากครับเพราะถามมันแล้วแถวบ้านมันยังมีความเชื่อว่าสามารถคลอดกันเองได้โดยมีหมอตำแยจัดการให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็เกิดมาอย่างนี้แหละครับแล้วหมอตำแยก็เก่งมากๆเลยครับแค่ดูอาการก็รู้แล้วว่าคนคนนั้นกาลังจะคลอดผมไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้อะไรแบบนี้ เคยเห็นแต่ในละครก็เลยตื่นเต้นครับแตก่ก็กลัวเพราะในใจก็ยังเชื่อว่าโรงพยาบาลน่าจะดีที่สุดพอไปถึงที่บ้านก็เห็นพ่อแม่ของเพื่อนผมนั่งรออยู่ที่ใต้ถุนบ้านพร้อมกับชาวบ้านแถบนั้นเกือบอีก10คนครับตรงกลางมียา แ, แก่กับคุณตาใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ตอนนั้นผมคิดว่าคงเป็นความอบอุ่นของเพื่อนบ้านน้ำใจที่มีให้กันก็เลยมาช่วยเหลือกัน แต่พอเข้าไปใกล้จึงสังเกตเห็นสีหน้าของแต่ละคนว่ากำลังเคร่งเครียดกันเลยผมก็เลยงงๆพ่อเป็นยังไงบ้างเพื่อนผมเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามพ่อเพราะว่าคงสงสัยกับสีหน้านั้นเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวค่อยคุยกันเองพาเพื่อนเองไปอาบน้าอาบท่าแล้วก็ไปนอนก่อนไปพ่อเพื่อนตอบมาอย่างตั้งใจว่าไม่ให้พวกผมยุ่งเป็นแน่แท้เพื่อนก็นาทางผมพร้อมกับเพื่อนอีกคนขึ้นไปบนบ้าน แล้วก็บอกทางไปห้องน้ําให้แล้วตัวมันก็ขอลงไปคุยกับพ่อกับญาติข้างล่างก่อนพวกผมอาบน้ํากันจนเสร็จแล้วก็ออกมาเจอเพื่อนที่นั่งรอยอยู่ที่ชานกลางบ้านเออพวกมึงนอนกันก่อนเลยนะเดี๋ยวกูลงไปช่วยงานข้างล่างก่อนเออแล้วก็รีบนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมีอะไรทาพวกผมได้ยินแบบนั้นก็ง ง, งแต่ตอนนั้นคือเพลียจากการเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันสะเพริดเพลินก็เลยยอมไปนอนแต่โดยดีครับทั้งคืนที่หลับ ก็ได้ยินเสียงคนข้างล่างใต้ถุนคุยกันโวยวายด้วยเพราะว่าเมาผมก็คิดว่าเขาคงจะฉลองกันเพราะว่าจะมีเด็กเกิดใหม่แต่ก็มีเสียงที่ไม่เข้าพวกอยู่ครับเป็นเสียงคล้ายเสียงคนกำลังเหลาไม้แล้วก็คนกำลังผ่าไม้ดังอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนเลยรุ่งเช้าเพื่อนผมก็มาปลุกผมแต่เช้าเลยแล้วก็ชวนไปทำบุญตักบาตรแล้วพ่อเพื่อนก็นิมนต์พระให้มาในบ้าน เห็นคุยกันอยู่แป๊บหนึ่งพระท่านก็เริ่มโยงสายศีลไปรอบรอบบ้านแล้วก็ทำน้ำมนต์ใช้กิ่งมยมพรมไปทั่วๆบ้านเลยตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เอะใจเลยหรอกครับเพราะคิดว่าเป็นมงคลรับขวัญเฉยเฉยจนสายๆพวกผมอาบน้ำกินข้าวอะไรกันเสร็จก็มาถึงคิวสิ่งที่เพื่อนผมได้บอกไว้เมื่อคืนปะ่ะพร้อมยังเพื่อนผมถามพร้อมแลยวะไปไหน ผมกับเพื่อนอีคนก็ถามกลับเอา้าไปตัดไม้ไั่ไงไปงั้นมาทำอะไรวะพวกผมก็ถามไปงั้นแต่ก็เต็มใจไปครับเพราะคิดว่ามันคงสนุกดีเอา้าเอามากันผีกระสือสิวะเด็กจะคลอดเท่านั้นแหละครับผมกับเพื่อนอีคนนี่อึ้งไปเลยไม่ได้เตรียมใจจะมาเจอกับอะไรพวกนี้ซะหน่อยกะจะมาเที่ยวจะมาพักผ่อนแท้แต่ว่าก็ต้องไปครับไม่งั้นโดนไล่กลับบ้านแง่แง่บ้านมันถือกติว่าคนไม่ทํางาน ก็ไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีข้าวกินด้วยครับแล้วก็ไม้ไผ่ที่ไปตัดเนี่ยมันก็มีทั้งลำยาวๆตรงๆแล้วก็มีแบบที่มีกิ่งติดอยู่ด้วยเล็กน้อยบางต้นตัดมาทั้งต้นไม่มีการริดใบทิ้งได้ใดทั้งสิ้นมีชาวบ้านมาช่วยกันหลายคนทุกคนดูชํานาญมากเหมือนทํามาบ่อยแทนที่จะอุ่นใจมันกลับใจวิววิแ ป, ปลกแปลกครับด้วยความสงสัยก็เลยไปถามอีกทีว่าทําไปทําไมเป็นความเชื่อหรือหรือมันยังไงกันแน่ ผมก็ได้รับคำตอบมาว่ามันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่แถวบ้านมันมีจริงๆมีมาตั้งแต่ต้นตระกูลไม่เคยหายไปไหนเป็นกระสือชอบออกหากินแต่หลังๆไม่ค่อยมา้เห็นแล้วมีบางทีที่ไก่ในแล้วชาวบ้านตายหรืออะไรพวกนี้บางแต่ที่จะมาทุกทีเลยก็คือเวลาที่มีเด็กคลอดนี่แหละเล่ามาจนถึงตอนนี้ผมขอขยายความหน่อยนะครับตามความเชื่อของคนไทยแล้วเนี่ย กระสือคือสิ่งไม่ดีเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเสือบทอดมาเป็นสายเป็นตระกูลหรือเกิดจากการที่มีการผิดครูลบหลู่วิชาที่เรียกว่าออกแดงหรือการเลี้ยงไว้แล้วไม่ดูแลจนของเข้าตัวมันก็คล้ายๆกับปอบนั่นแหละครับกระสือมักจะสิงอยู่กับผู้หญิงแก่บางทีก็มีหญิงสาวบ้างแต่คนที่โดนสิงจะมีอาการแปลกๆก็คือไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครไม่พูดไม่จา ตาแข็งกางวันจะชอบเก็บตัวพอกลางคืนจะชอบออกมาเดินไปเดินมาถ้าเป็นหญิงสาวเวลากลางคืนจะสวยมากสวยกว่าตอนกลางวันอีกครับปากจะแดงตลอดเวลากระสือมักจะออกหากินในเวลากลางคืนบางก็ว่าไปหากินอะไรสดสดดิบๆบบางก็ว่าไปกินสิ่งสกปรกเช่นอุจจระและอีกหนึ่งเรื่องที่เล่าต่อกันมาอย่างชัดเจนนั่นก็คือบ้านไหนถ้ามีเด็กเกิดใหม่ ผีกระสือมันจะไปรอกินน้าครําไปรอกินรกเด็กถ้าแม่หรือเด็กร่างกายไม่แข็งแรงมันก็จะกินด้วยวันนั้นทั้งวันพวกผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับนอกจากเหลาไม้ไผ่มันเป็นไม้ไผ่ลวกที่สารเป็นตารางสี่เหลี่ยมคล้ายกับตะข่ายแต่ว่าตรงขอบแต่ละอันเนี่ยมันจะเหลาไว้คมมากคมชนิดที่ว่าถ้าจับไม่ดีก็ได้เลือดแน่แน่ทำไว้สูงยาว ปักไว้กับตอไม้รอบบ้านในลักษณะคล้ายๆกับรัว้วส่วนต้นไม้ไผ่ที่มีกิ่งเยอะๆนึกออกไหมครับว่าไผ่มันจะแหลมๆแข็งๆคล้ายๆกับหนามเลยเอาใบออกจนหมดเหลือไว้แต่กิ่งเล็กๆนาแหลมต้องตัดมาสูงๆครับความสูงเท่ากับหน้าต่างบ้านเลยตั้งไว้รอบๆบ้านชาวบ้านรอบๆก็มาช่วยกันเป็นอย่างดีตามกิ่งไผ่บางอันก็มีการเอาพริกเอากระเทียมเปิดให้ไว้ตามกิ่งด้วย หลังจากเสร็จทุกอย่างก็ได้ไปนิมนต์พระมาวนสายศีลตามไม้ไผ่กรอบจากการสอบถามทําไปทำมาตามความเชื่อนั้นเชื่อกันว่าไม้ไผ่คมๆแหลมๆมันจะไปบาดไปเกี่ยวไส้กระสือซึ่งก็จะทําให้มันไม่กล้ามายุ่งกับบ้านหลังนั้นหลังจากเสร็จทุกอย่างทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านของตัวเองแล้วทําการปิดบ้านปิดประตูหน้าต่างจนสนิทมิดชิดเป็นเวลาหนึ่งคืนทุกคนถูกไล่ขึ้นบนบ้าน แม้แต่หมาแต่แมวก็ต้องขึ้นตามไปด้วยครับตอนนั้นในบ้านมีผมเพื่อนสองคนพ่อแม่ของเพื่อนน้าแล้วก็สามีของน้าแล้วก็คุณยายหมอตำยาอีกคนหนึ่งผมยอมรับนะครับว่าตอนนั้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็กลัวมากๆเลยครับก็คิดว่าจะได้ดูแล้วก็ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยจะเห็นแต่ปรากฏว่าผิดคาดครับพวกผมสามคนโดนไล่ไปนอนในห้องแล้วเขาไม่ให้ออกมาดูเลยโดยหมอตําแย กับน้าสาวที่จะคลอดก็ไปอยู่ที่กลางบ้านตอนนั้นทุกคนวุ่นวายกันมากครับแต่พวกผมก็ทําได้แค่นอนดูทีวีแล้วก็เล่นคอมอยู่ในห้องนอนจนเวลาผ่านไปประมาณห้าทุ่มพวกเราก็ได้ยินเสียง <c oughs> เด็กเกิดแล้วพ่อเพื่อนผมก็เข้ามาเรียกให้ไปดูหน้าหลานพวกผมก็ตามมันออกไปได้เห็นตอนยาย เขานำอุ่นล้างหน้าแล้วก็อาบน้ำให้เด็กพอดีพึ่งเคยเห็นกับตาก็ตอนนี้แหละครับส่วนคุณน้านั้นก็ยิ้มแล้วก็กอดสามีคล้ายกับว่าไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยแล้วพวกผมก็เข้าห้องมานอนเพราะต้องการให้น้ากับเด็กน้อยได้พักผ่อนในวันที่เหนื่อยและสําคัญที่สุดในชีวิตของทั้งคู่ก่อนที่พวกผมจะนอนคุณยายหมอตําเยมาเคาะห้องแล้วพูดว่าอยู่ในนี้กันจนเช้าเลยนะ และห้ามออกไปไหนเด็ดขาดใครมาเคาะเรียกก็ห้ามเปิดเข้าใจไหมเด็กๆแกพูดยิ้มๆนะครับแต่เวลาฟังแล้วก็ยิ้มตามยายแกไม่ออกจริงๆพวกผมหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้แต่ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงหมาแมวที่เห่าอยู่บนบ้านมันดังมากๆเลยครับทั้งเห่าทั้งขู่เหมือนมันจะกัดใครเห่าแบบเอาไปเอาตายเลยเสียงน้องที่เกิดใหม่ก็ร้องดังมากๆพวกผมเริ่มขยับตัวเข้ามาชิดกัน มองหน้ากันแบบว่าคืนนี้ใครมาจะนอนลงวะพวกผมอยู่ในสภาพนั้นพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเสียงหมาแมวที่มันเห่าก็หยุดไปกลายเป็นเสียงหมาร้องแทนครับมันร้องด้วยความเจ็บปวดเหมือนใครกำลังทำร้ายมันพวกผมก็ตกใจกอดกันกลมเลยครับตอนนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงหมามันนอนร้องหงิยงๆงงอยู่หน้าประตูแต่ก็ไม่มีใครกล้าเปิดไปหรอกครับจังหวะนั้น เสียงหมายยังไม่ทันจะจางไปก็มีเสียงกุกกุกกะกักดังมาจากใต้ถุนบ้านเพราะว่าเสียงมันดังมาจากพื้นบ้านพวกผมก็ยิ่งกลัวกันไปเองอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับตอนนั้นกลัวไว้ก่อนถ้าเป็นคนเดี๋ยวค่อยด่าวทีหลังมันดังอยู่แบบนั้นหลายทีเหมือนกันนะครับคราวนี้เป็นเสียงเหมือนคนปาลาอะไรใส่บ้านครับโดยความที่บ้านมันเป็นบ้านไม้ เสียงมันก็จะดังกล้องมากๆแต่มันก็แปลกตรงที่มันไม่ได้ดังอยู่ที่เดียวแต่ว่ามันดังไปทั่วบ้านเลยครับไล่วนรอบรอบบ้านไปเลยไม่ได้ดังพร้อมกันนะครับค่อยๆย้ายที่ไปเรื่อยๆแล้วสักพักเสียงนั้นก็เงียบหายไปเฮ้ยมันจะหมดยังวะไอ้เพื่อนคนนั้นที่มากับผมมันก็เผลอหลุดปากพูดออกไปผมกับไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยแทบจะบีบคอมันตาย ไอตัวคนพูดนี่มันก็น้ําตาคลอไปแล้วครับด้วยความที่มันกลัวมีคนอยู่ใช่ไหมเปิดบ้านใ ห, หน่อยสิมีอะไรมาฝากมันเป็นเสียงยายแก่ๆครับดังลอยมาตามลมจับทิศทางไม่ได้เลยผมนึกว่าผมหูฝาดหูแววแล้วก็คิดแล้วก็หลอนไปเองแต่ผมก็ได้คําตอบทันทีว่าผมไม่ได้คิดไปเองเพราะไอเพื่อนทั้งสองคนนั้นมันก็ทําตาโต แบบตกใจมากๆเลยครับพร้อมกับน้ําตาที่ไหลแล้วก็สั่นกันมากเลยครับเพราะเรากลัวรจริงๆในตอนนั้นจากนั้นความเงียบมันก็เข้าปกคลุมทั่วทั้งบ้านเหลือไว้แค่เพียงเสียงเด็กน้อยที่ร้องจนหน้าสงสารกลัวว่าคอเล็กๆนั้นจะแตกออกร้องเหมือนจะมีใครมาทําร้ายเหมือนมีใครจะมาฆ่าอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่ทออกไปดูครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่นอนเด็กนั้นมีผู้ใหญ่เฝ้าอยู่แล้วจากนั้นมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้น ซึ่งมันก็คือเสียงหมาน้อยที่นอนอยู่หน้าห้องเมื่อกี้แต่ตอนนี้มันหอนแล้วครับหอนได้หวยหวนกมา ก, มากหอนแน่ร่มจริงๆผมแค่นึกก็ขนลุกแล้วแอบระแวงแล้วก็มองไปรอบๆห้องเพราะหลังห้องก็ติดทุ่งนาด้วยมันหอนพักหนึ่งยาวๆแล้วเมื่อทุกอย่างเงียบลงเพื่อนผมก็สะดุ้งแล้วตีผมเรียกแบบว่าตกใจมากๆเลยครับอะไรตีทาไ ม, มตีกูทาไม ผมก็ถามมันไปสถานการณ์แบบนี้ยังมีกิจจตกระจจะมาแกล้งกันอีกกูรู้สึกห้องมันเย็นๆมึงรู้สึกเปล่าวะมีลมพัดเข้ามาด้วยวะแล้วก็จริงอย่างมันว่าครับห้องมันเย็นๆจริงๆแล้วก็เหมือนมีลมพัดอ่อนๆพวกผมก็เลยช่วยกันกวาดสายตามองไปรอบๆห้องจนผมได้คำตอบมันก็คือหน้าต่างครับมันปิดไว้ไม่สนิททันทีที่สายตาทั้ง3ามคู่มองไปที่หน้าต่าง ปรากฏภาพของศรีรษะของหญิงแก่ผมหยิกงอกทั้งหัวเลยใบหน้าที่เหี่ยวย่นดวงตาที่ไร้แววผมหยิกยาวที่ปลิวไปตามลมบ้านนั้นสูงมากริมหน้าต่างไม่มีทางเดินแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมายืนอยู่ตรงนั้นและที่เห็นตรงริมฝีปากมันเหมือนมีคราบอะไรบางอย่างติดอยู่แต่นาทีนั้นก็ไม่มีใครสนใจแล้วละครับแหักปากร้องลั่นกอดกันได้ทั้งสามคนเลยน ยยสเสียงแหกผ้าของหญิงแก่นั้นยังคงลอยมาตามลมไม่มีคําตอบรับใดๆนอกจากเสียงแหงปากของวัยรุ่น3คนที่กอดกันกลมอยู่แต่ก็โชคดีครับที่ได้ยินเสียงไก่ขันดังมาจากใต้ถุนบ้านแล้วก็ดังมาจากบ้าน ร, บรอบๆซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าราตรียังแสน ย, ยาวนานนั้นได้ผ่านไปแล้วแล้วแสงอาทิตย์อ่อนๆก็เริ่มทอแสงขึ้นบนท้องฟ้าผมค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วภาพที่ผมเห็นก็คือ สีสระของหญิงแก่คนนั้นลอยห่างออกไปไกลาจากตัวบ้านมันมีแสงสีแดงๆมัวๆอยู่รอบๆไม่ทราบว่าเป็นตับใต้เส้พุงอย่างที่เข้าเล่าลือหรือเปล่าพบผมน้ำตาเต็มไปหมดแล้วภาพมัวไปหมดแต่ยืนยันว่ายายคนนั้นกระลอยเป็นจริงครับหลังจากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็มาเรียกในห้องแล้วก็ถามว่าเจออะไรทําไมถึงร้องแท่นแหกปากกันอย่างนี้พวกผมก็เล่าไปตามความจริงแล้วก็ได้คําตอบมาว่าเมื่อเดือนก่อน มีบ้านหนึ่งพึ่งคลอดหลานแล้วก็โดนแบบนี้เหมือนกันครับทุกคนกําลังตามหาร่างที่มันสิงอยู่แต่หมอเป่าหมอวิชาประจําหมู่บ้านเขาบอกว่ามันเป็นกระสือต่างถิ่นครับเป็นขาจรที่ผ่านมาปัจจุบันกระสือที่อยู่ในหมู่บ้านที่เจอกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าล้วนั้นแก่ชรามากแล้วไม่มีแรงที่เห็นนั้นมันเป็นตัวอื่นเย็นวันนั้นพวกผมก็ลากลับกันันทีเลยครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมไม่เคยลืมเลยครับอยากจะบอกว่าอะไรที่คนโบราณเขาเล่าลือกันมานั้นก็อย่าไปลบหลู่เลยครับบางอย่างอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ทุกอย่างก็เพราะความหวังดีต่อลูกหลานอย่าไปกล่าวหากันเลยเชื่อได้แต่ว่าไม่ใช่งมงายนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่ายๆจนมาเจอจังๆนี่แหละครับยังไงก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาในกระถุไม่ใช่เรื่องแต่งครับและก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของบุคคลเป็นอย่างมาก